ผิดศีลข้อสามจะเหมือนโดนผีบังตาหรือโดนเปรตบังใจไม่เห็นทุกข์ของใครได้เห็นได้แค่สุขของตัวเองคนเดียวก่อนผิดศีลข้อสามความเห็นใจผู้อื่นยังมีซึ่งนั่นก็คือมนุษยธรรมยังคงอยู่แต่เมื่อผิดศีลข้อสามตามใจตัวเองยอมกลับลงสู่เบื้องต่ำ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 คนรอบข้างมักนึกว่าไปโดนไสยศาสตร์มาแต่ว่าที่จริงไม่จำเป็นต้องอาศัยคุณใสที่ไหนแม้สมัยโบราณก็มีเรื่องเล่าอยู่ว่าอำนาจมนต์สะกดของควานช้างที่บังคับช้างให้ใช้ง่วงรัดก้อนเหล็กร้อนได้นั้นยังไม่อาจสะกดมันให้เลิกวิ่งะเหลืดตามเพศเมียเมื่อถึงฤ ด, ดูกำหนัดได้เลยแลว่า